บทที่แปดสิบสี่เศรษฐีขี้เหนียวพระเจริญไปถึงบ้านโยมบิดาในตลาดเมื่อเวลาสิบนาฬิกาโยมยายไม่ได้เจ็บไข้ยอย่างที่ท่านกังวล ครั้นเห็นพระหลานชายก็ยินดีปรีดาแม่จวนเองก็ดูแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อมาอยู่ร่วมบ้านกับมารดาได้สนทนาธรรมกันทุกวันทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานส่งผลให้สุขภาพกายพลอยดีตามไปด้วยเรื่องที่น่า ย, ยินดียิ่งกว่านั้นคือนางสาวจำแลงเลิกเล่าได้แล้วโยมยายเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีคู่รัก เขาบอกถ้ามันเลิกเหล้าได้ก็จะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่มันก็เลิกมาได้เดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่ท่านไปอยู่บางกอกนั่นแหละพระหนุ่มจึงพูดกับพี่สาวว่าอาตมาอนุโมทนานับว่าเป็นบุญวาสนาของโยมพี่ที่เลิกใช้ได้ท่านนึกถึงนางเหรียญรู้สึกสงสารโยมป้าที่ต้องตกอยู่เป็นทาสของสุราจนกระทั่งสิ้นชีวิต แล้วนี่จะมาสู่ขอกันเมื่อไรเป็นคนที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครท่านถามถึงคนที่จะมาเป็นพี่เขยคนสุพรรณจะเขาติดใจฝีมือตีระนาดของฉันนางสาวจำแรงตอบไอายๆที่เห็นพี่สาวมีอาการเก้อเขินพระหนุ่มจึงพูดว่าเขาคงเป็นคนดีนะ ถึงอาตมาจะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็มั่นใจว่าเขาต้องเป็นคนดีเพราะทาให้โยมพี่เลิกกล้าได้ดีจ้ะท่านเขาเคยมาที่บ้านมาขอให้โยมแม่ช่วยกวดขันท่านังจำแรงเลิกกินเหล้าได้ครบสามเดือนเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่ก็เหลืออีกสองเดือนนางจำแรงมันใจเด็ดจะ้ะไม่เคยดื่มอีกเลย โยมพ่อก็โล่งใจที่มันเลิกเสียได้แม่จวนรายงานให้พระลูกชายฟังและนิยมพ่อไปไหนละจ๊ะท่านถามถึงทิศพองไปเฝ้าศพที่อ่างทองจ้ะลุงบุญช่วยเศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วนางสาวจำแรงบอกพระน้องชายที่เป็นเพื่อนบ้านกับโยมพ่อนะหรือ ก็มีคนเดียวนั่นละท่านน่าสงสารแกนะป่านนี้ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนบุญทานไม่เคยทำขอทานไม่เคยได้อะไรจากแกไม่ว่าจะเป็นข้าวสักทนานหรือว่าเงินซักเฟื้องขี้เหนียวชมัดพี่สาวพระเจริญวิจารณ์เพื่อนของบิดาพระเจริญเองก็รู้จักบุรุษผู้นี้เป็นอย่างดีด้วยว่าเคยไปมาหาสู่กันเป็นประจำ คนที่รู้จักนายบุญช่วยจะตั้งสมญาแกว่าเศรษฐีขี้เหนียวเพราะแกไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลใครๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงแต่กระนั้นแกก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดไม่อยากได้ของของคนอื่นแกก็มักสอนท่านว่าไอ้หนูเชื่อลุงเถอะบุญทานไม่ต้องไปทำมันรอกสิ่นเปลืองเปล่า การทำบุญบริจาคทานทำให้ร่ารวยนะครับลุงยายบอกพระท่านสอนขนาดยายขี้เหนียวยังชอบทำบุญเด็กชายแกแยง้งลุงไม่เชื่อหรอกดูอย่างลุงไม่เคยทำบุญแต่ทำไมถึงมีเงินทองมากมายคนที่ชอบทำบุญเสอีกกลับจนลงจนลงลุงสอนลูกๆไว้เลยว่าไม่ต้องไปทำบุญ ขอให้ขยันทามาหากินก็รวยได้ลุงไม่เคยให้เงินขอทานเลยเหรอครับไม่เคยเวลามีขอทานเข้ามาในบ้านลุงก็จะให้ลูกๆช่วยกันไล่แล้วถ้าเขาไม่ไปแล้วครับลุงก็ให้เอาไมา้ไล่ตีลูกๆเชื่อฟังลุง ก, กันหมดทุกคนพอขอทานมาจะช่วยกันขับไล่ออกไปไม่แต่ขอทานเท่านั้นนะถึงพวกที่มาเรียราย ลุงก็ไม่เคยให้เขินให้ไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็มารบ ก, กวนไม่รู้จักจบจักสิน้นนายบุญช่วยปักใจเชื่ออย่างนี้ลุงพี่ว่าลุงบุญช่วยก็จะไปเกิดที่ไหนจ้ะคนกำลังมีความรักถามน้องชายอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันตามคำพีพระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลที่ตรณีเหนียวแน่นไม่บริจาคทานหากเขาตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนยากจนขัดสนแต่ว่าแกเป็นอะไรตายแ่ละโยมเห็นพ่อว่าแกเป็นโรคฝีในท้องจ่ะเอนี่ก็จวนเพลแล้วนิ่มลหลวงพี่ฉันเพลที่นี่นะฉันจะได้ไปเตรียมจัดสำรับกับข้าวแล้วแต่โยมพี่เธออาตมายังไงก็ได้ จะฉันที่นี่หรือกลับไปฉันที่วัดก็ได้ท่านฉันที่นี่แหละโยมขอนิมนต์นึกว่ามาโปรโดโยมถึงบ้านก็แล้วกันทึงจะไปวัดใหม่ไว้แล้วแต่ว่ายังทำบุญทำทานจำแรงเองไปเตรียมเพลงได้แล้วผู้เป็นยายสั่งหลานสาวนางสาวจำแรงลูกออกไปแล้วพระเจริญคงนั่งคุยกับโยมยายและโยมมารดา ท่านคิดไปถึงนายบุญช่วยนึกถึงภาพลูกๆของแกที่ช่วยกันผลักสายไล่ส่งขอทานที่บังเอิญพลัดเข้าไปในบ้านของแกแล้วเลยนึกถึงไปถึงตาป่วนกับยายพันขอทานสองผัวเมียที่เคยมาขอบ้านโยมยายบ่อยครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กไว้ผมแกร์วันหนึ่งที่บ้านโยมยายมีเทศมหาชาติสองผัวเมียก็มาขอทานโยมยายใช้ให้ท่านนำเข้าสารสองานาน กับเงินอีกหนึ่งสลึงไปให้ท่านรู้สึกแปลกใจจึงถามว่ายายทำไมวันนี้ให้ขอทานมากเป็นพิเศษทุกทีผมเห็นให้ข้าวหนึ่งทนานกับเงินห้าสตังวันนี้ให้ตั้งหนึ่งสลึงสงสัยฝนจะตกก่อวันนี้บ้านเรามีเทศมหาชาติได้ทาบุญแล้วก็ให้ทานด้วยจึงต้องให้มากหน่อย เองอย่าพูดมากนักเลยไอ้หนูล้านถูกยายว่าเมื่อท่านนำเข้าสารกับเงินไปให้ตะป่วนกับย็บพันก็ยังไม่ยอมไปท่านจึงบอกว่าลุงทำไมถึงยังไม่ไปละ่ะไปขอบ้านอื่นต่อสิตะป่วนตอบว่าลุงยังไม่ไปรอกไอ้หนูลุงขอฟังเทศให้จบก่อนขอลุงฟังเทศ ด, ด้วยคนนะ แล้วแกกับเมียก็นั่งฟังเทศตั้ง อ, อกตั้งใจเมื่อพระเทศจบก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วจึงพากันไปโยมยายจำตะปวนกับยายผันได้ไหมจ๊ะที่เคยมาขอทานสมัยโยมยายยังอยู่บางม่วงหมูนะ่ะท่านถามโยมยายจำได้สิแกอยู่บ้านไผ่คว้างโน่นเป็นคนใจบุญใจกุศลทั้งผัวทั้งเมีย ขอทานเขาได้ก็นำไปทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงลูกดูเหมือนแกจะมีลูกห้าคนท่านก็รู้จักไม่ใช่หรือจากอาตมายังเคยตามไปดูบ้านแกและรู้จักลูกๆกแกด้วยพระเจริญตอบแม่จวนจึงพูดขึ้นบ้างว่าแกเป็นคนดีนะแม่ชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ไม่มีเงินก็เอาแรงเข้าช่วย ทุกครั้งที่มาวัดศรัทธาพี่รมมีงานตะบวนจะมาช่วยตักน้ยาใยญ่ผันช่วยล้างจานแม้จะเป็นขอทานก็มีจิตใจดีพวกชาวบ้านเมตตารักใกล้แกทุกคนนั่นสิที่ต้องมาขอทานก็เพราะยากจนไม่มีที่นาจะทำกินแต่แกก็ไม่ได้ขอทานเขากินจนตลอดชีวิตหรอกนะเพราะเมื่อลูกๆแกโตก็ช่วยกันทามาหากิน ความที่พ่อแม่เป็นคนดีก็เลยส่งกุศลไปถึงลูกๆ ล, ลูกแกเรียนเก่งแล้วก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรียนสูงสงพอจบออกไปก็ได้งานดีๆทําส่งเงินมาให้พ่อแม่ตาปวนกับยายพันธุ์ก็เลยเลิกขอทานเขากินเพราะลูกลูกไปทํางานบางกอกส่งเงินมาให้ทุกเดือนมารดาแม่จวนพูดถึงคุณความดี ของขอทานคู่นั้นตะปวนตายก่อนหน้าอาตมาบวชไม่กี่วันอาตมายังไปเผาศพส่วนเย็บผันลูกๆมารับไปอยู่บางกอกด้วยพระนุมว่า แม่ว่าปานิตะปวนกับยายบุญช่วยจะไปเกิดที่ไหนจะ๊ะแม่จวนถามมานดาหากจะให้พยากรณ์ขาก็คิดว่าถ้าสองคนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ตะปวนต้องเกิดเป็นเศรษฐีส่วนยายบุญช่วยก็ต้องเป็นขอทานหรือท่นว่ายังไงโยมจางถามพระหลานชาย พระหนุ่มจึงถือโอกาสเทศนอกธรร ม, มาติด้วยการยกพระบาลีมากล่าวความว่าจิตเตสังกลิเททุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องวังถ้าหากสองคนนิจตายในขณะที่จิตกำลังเศร้าหมองก็ต้องไปเกิดในทุกขติซึ่งมีสี่ภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าเขาตายขณะจิตพองใสก็จะไปเกิดในสุคติเช่นมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นดังพระบาลีว่าจิตเตอสังกะลิเทสุคติปฏิกังขาพูดง่ายๆก็คือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบจิตถ้าก่อนตายเขานึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำจิตก็จะเศร้าหมองแต่ถ้านึกถึงกุศลกรรมจิตก็จะใส สมมุติว่าสองคนนี้จิตใสทั้งคู่ทําให้ไปเกิดในสุขติเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่เท่าเทียมกันเพราะกรรมธรรมาต่างกันลุงบุญช่วยจะไปเกิดในตระกูลยากจนขัดสนขณะที่ตะปวนไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยภิกษุนมพยากนตามคำภีก็แปลว่าเศรษฐีไปเกิดเป็นขอทาน ส่วนขอทานกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีอย่างนั้นหรือจ๊ะแม่จวนถามพระลูกชายถูกแล้วจ๊ะเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมทั้งๆที่โยมยายคอยอบรมสั่งสอนทุกวันพอมาบวชมาปฏิบัติธรรมจึงได้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็ระลึกนึกถึงกรรมที่อาตมาทําไว้เมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะมาให้ผลแต่อาตมาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะยอมรับทุกกรณี จะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาท่านรู้สึกสลดใจเมื่อ น, นึกถึงการกระทำในครั้งอดีตอย่าไปคิดถึงอดีตให้ใจเศร้าหมองเลยท่านถึงยังไงมันก็ผ่านพ้นไปแล้วหน้าที่ของเราต้องชดใช้กรรมเก่าต้องชดใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างเหมือนเราไปเป็นหนี้เขาหน้าที่เราก็คือต้องใช้คืนเขาแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้ขึ้นมาใหม่ ทำอย่างนี้ไม่ช้าก็จะหมดหนี้หมดสินเป็นทยแก่ตัวโยมยายพูดให้สติค่ำวันเดียวกันนายหล่อมาหาหลวงพี่ถึงกุฏิที่พักดูเขาดีใจนักที่ท่านกลับมาหลวงพี่เรียนจบแล้วเหรอครับไหนว่าหลักสูตรตั้งหกเดือนหรือว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนเวลาที่กำหนดเขาตั้งคำถามเปล่าลอก อย่างข้านะรือจะเรียนจบก่อนกำหนดเมินสัชาติหนึ่งเธอท่านตอบตามจริงแล้วทำไมจึงกลับมาละครับหรือว่ามันยากจนเรียนไม่ไหวใช่หนุ่มอยากรู้จะว่ายากก็ยากนะแต่ไม่ถึงกับจะเรียนไม่ไหวหรอกที่ข้าต้องกลับมาพระโยมแม่เนนทองเขาป่วยโยมพ่อมีหนังสือไปบอกให้กลับข้าก็เลยต้องมาส่งท่าน ไม่ได้เล่าหรอกว่าเนนทองเรียนดีจบหลักสูตรแล้วคือเล่าไปตัวท่านต้องอับอายขายหน้าในหลองั้นก็แปลว่าหลุงพี่ต้องกลับไปเรียนต่อให้จบแล้วเนนทองดีต้องไปอีกใช่ไหมครับใช่หนุ่มซักค่อนข้างละเอียดอาจารย์ค่าสั่งมาว่าให้ค่ากลับไปคนเดียวส่วนเนนทองดีไม่ต้องไปและถ้าเองจะถามอีกว่าทาไมถึง ไม่ต้องไปก็ขอให้ไปถามอาจารย์ข้าเองท่านอยู่วัดมหาธาตุบางกอกน่นพระหนุ่มหาทางป้องกันมีให้ในายหล่อซักถามไปมากกว่านี้ผมคงไม่ลงทุนไปถึงปานนั้นหรอกครับแต่ว่าหลวงพี่จะกลับเมื่อไรครับหากไม่รีบนะักผมอยากนิมนต์ให้อยู่ก่อนเดือนหน้าผมจะแต่งงานครับเขาบอกเหตุผล ถ้าต้องปรึกษาสมภารก่อนถ้าท่านอนุญาตก็อยู่ได้ครับและผมจะช่วยพูดกับหลวงพ่อชอท่านให้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอรบกวนหลวงพี่ก็คือแม่นวลว่าที่แม่ยายของผมแกขอให้ผมช่วยส่งข่าวเรื่องการแต่งงานให้พี่น้องของแกที่อำเภอแม่สอดจาาังหวัดตรังจะได้เตรียมมาช่วยงานผมก็เลยอยากจะขอความการุณาหลวงพี่ ช่วยเป็นเพื่อนผมหน่อยพูดอย่างเกรงใจชวนคนอื่นไม่ดีหรอกหรือข้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยากไปยุ่งเรื่องทางโลกพระหนุ่มพูดออกตัวแม้หลวงพี่ละก็ผมไม่ใช่จะให้หลวงพี่ศึกออกมาแต่งงานซะหน่อยเพียงแต่อยากนิมนต์ไปเป็นเพื่อนเพื่อให้อุ่นใจเกิดถูกผีหรอกกลางทางหลวงพี่จะได้ช่วยไล่ผี ก็หลวงพี่มีคาถาขนาดผีแขกยังสยบให้มาแล้วเกิดไปเจอผีพมา่าหลวงพี่จะได้ช่วยปราบให้อีกในหลอสาทยายอำเภอแม่สอดติดกับเขตแดนเขตพมา่าจึงมีการติดต่อค้าขายกันตามชายแดนเอ็งเข็นข้าเป็นพระกันผีไปแล้วหรือไงท่านนึกขำทั้งกันทั้งปราบเลยล่ะครับ น่าหลวงพี่นะช่วยไปเ ป, เป็นเพื่อนผมหน่อยนี่ผมให้เกียรติหลวงพี่นะครับคนอื่นๆมาขอไปด้วยผมยังไม่อนุญาตคราวนี้เขาพูดเอาบุญเอาคุณเพราะเขาช่วยกันผีให้เองไม่ได้ใช่ไหมละ่ะพระหนุ่มรู้ทันในหล่อได้แต่หัวเราะแหะๆแล้วก็ตอบว่าก็คงอย่างนั้นแหละตกลงหลวงพี่ยอมไปกับผมแล้วใช่ไหมครับ เขาถามอีกไปก็ได้ข้าเองก็ไม่เคยไปแม่สอดว่าแต่ว่าจะไปกันเมื่อไรล่ะเมรืนนี้ครับผมจะมารับหลวงพี่ตอนตีสี่จะเตรียมสเสบียงไปเสร็จสัพท์ทั้งเช้าและเพลง เรื่องการขบฉันลงพี่ย่าได้เป็นห่วงหรือถ้าจะฉันมือเย็นอย่างผมก็ได้รับรองว่าผมจะปิดเป็นความลับเขาล้อเลียนทะลึ่งแล้วน่ะเองข้ามาได้เป็นพระบางกอกนี่จะได้ฉันข้าวค่ำตอนที่ข้าไปเรียนบางกอกนะเพื่อนข้ามันอาศัยวัดอยู่ข้าไปเยี่ยมมันบ่อยๆแล้วข้าก็เห็นพระบางกอกฉันข้าวค่ำ กันหลายองค์ตอนเย็นก็เตะตะกร้อกันเป็นที่ครื้นเครงข้าเลยไม่นับถือพระแถมยังแอบข้อในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ว่าดีกว่าลืออีกแต่เอ็งเชื่อไหมเพราะเกลียดพระข้าเลยต้องมาเป็นพระท่านเล่าความหลังโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามหลวงพี่เกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระ ที่หลังอย่าได้ไปเกลียดอะไรอีกนะครับเพราะเกลียดสิ่งไหนมักเจอสิ่งนั้นพระถูกคารหัดสอนเอ็งหาใครไปเป็นเพื่อนอีกคนดีไหมเผื่อรถไปเสียกลางทางจะได้ช่วยกันแก้ไขท่านแนะนําผมกะจะเอาไอ้กล้วยลูกน้าชายไปเป็นเพื่อนอีกคนนึงในหล่อบอกดีตกลงวันมรืนเอ็งมารับข้านะ เดี๋ยวข้าสงน้ำเสร็จจะไปเรียนอนุญาตจากสมภารเองไปเรียนท่านไว้ก่อนก็แล้วกันถึงวันนัดพระเจริญตื่นนอนแต่ตีสามท่านส่งน้ำและนุ่งห่มกาสะวะัสอย่างเรียบร้อยเวลาที่เหลือท่านสวดมนต์ทวัดเช้าและจึงเดินจงกรมเริ่มต้นด้วยการกำหนดยืนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินระยะที่หนึ่งเสียงลมพัดดังวีดวิวเข้ามาทางหน้าต่าง และช่องลมฟังดูประหลาดเหมือนเสียงคล่ำครวนอยู่ไกลๆของใครคนหนึ่งไม่อยากคิดว่านั่นเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาตามทวงหนี้ท่านคิดใจนึงรู้สึกวันวาดหากอีกใจก็ค้านไม่ต้องกลัวจงใช้หนี้เข้าไปอย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาคิดได้ดังนี้จึงเดินจงกรมต่ออยางตั้งอกตั้งใจ ไม่ใส่ใจกับเสียงหวีดวิวของลมที่กระเพือพัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจ ะ, ะเผชิญกับมันอย่างทนององอาจแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอม